ท่านเป็นผ้าละหันเลยครับใน ไ, ได้นับถือแบบธรรมดานะฟังเทศก็เป็นผ้าละหันเลยท่านก็อันนี้เลิกแน่นอนอยู่แลนะ้วเพราะกรรมมันสิ้นสุดนะคับทิถี่นี้คือผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าอะไรมันแน่นอนก็อุบาสกคนหนึ่งนะอดีตชาติอย่างสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยแกเป็นเจ้าภาพในสายเครือข บ, บดีเลยนะ ถวายทั้งตัวทั้งครอบครัวเป็นทาตเจดีซับทั้งหมดขนมาทําเจดีหมดเลยอ่ะเนี่ยนะก็ก็ไปสุขติล่ะแต่ว่าในตอนหลังมาสมัยพุทธกาลของเราเนี่ยสามีไปเกิดเป็นพรานน่ะเป็นนายพรานแม่บ้านเกิดเป็นลูกเศรษฐีและตอนหลังลูกเศรษฐีก็ตามนายพรานไปอยู่ด้วยกันนะนายพรางกุกุตมิตรมันก็บอกว่าผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยเหมือนกับท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศไม่รู้ว่าจะออก ออกข้างไหนก่อนใช่ไหมเหมือนก็โยนอันนี้เหรียญขึ้นนะนะไม่รู้ออกหวัวหรือออกก้อยอัน น, นก็อย่าไปดีใจนักเลยของผู้ที่ยังไม่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะฟังก็เป็นการแทงตลอดอริยสัจนี่ควรที่จะภาคเพียรพยายามให้มากเพราะว่าแทงตลอดอริยสัจแล้วจะละทิฏฐิเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนะนะี่ยนะทิฏฐิอันนี้จะแก้ได้โดยสมุดเฉทถะปะหารละได้เด็ดขาดจริงๆก็คือเป็นพระโสดาบัน แต่ทีนี้เบื้องต้นก็ด้วยข้อปฏิบัติก็คือตั้งแต่การพิจารณาขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยเป็นต้นนั่นเองอันนี้พูดถึงทิฏฐินะทิฏฐิที่กล่าวว่าทิฏฐิขตะสัมประยุทธ์เนี่ยนะนี่ก็อธิบายเหตุของทิฏฐิทั้ง8แล้วก็ความกลุ่มรุมของทิฏฐิ18เนี่ยนะจะได้รู้จักทิฏฐิมากขึ้น เออคือนี้เป็นอย่างอื่นเหมือนกันเถอะคือโดยมากก็ยึดถือปามาสกก็คือการยึดถือ อ, อ๋อขอไปทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นเหตุให้ยึดถือขึ้นนะนะ mm hmm. เหตุให้เกิดการยึดถือไอ้ปามาสก์เนี่ยปามาสเนี่ยโดยสัมแปลว่าการยึดถือนะ นนะแต่โดยทั่วๆไปเขาถือแปลไปไงรู้เป็นเป็นคลัมไปเฉยๆไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ได้แปลว่าคลัมนะแปลว่าถือจริงๆเลยอ่ะเป็นเหตุให้ยึดถือก็คือมาจากคำว่าปรามาสเนี่ยนะแต่บางทีสับไทยบางทีปรามาสบางทีก็แปลว่าดูหมิ่นนะาาาจึงได้แปลว่า จับอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยไม่วางเลยเอาอยู่นั่นแหละ่นะูคจับไม่ปล่อยไม่ยอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยไม่ปล่อยเลยไม่วางคิดอย่างอื่นทเือคืออาจจะแปลว่าคือชอบคิดแบบนั้นบ่อยๆก็ได้ แปล ว, ว่าคิดอย่างนั้นเรื่อยๆบ่อยๆซ้ําๆซักๆไปคลําก็ไม่จะไปคลําทิฏฐิออแล้วมานั่งรูปทิฏฐิมันเป็นยังไงนมามธรรมอ่ะนะคือเห็นแบบนั้นเป็นปกติเนะเห็นเห็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาอันนี้ขยายคําว่าทิฐิขาตาสัมปยุทธเนี่ยนะจิตที่ประกอบกับทิฐิแต่ว่าทิฏฐิอันนี้จะเกิดได้ก็อาศัยเหตุเท่านั้นนะเหตุแปด เหตุแความกลุ่มรุม18ต่อไปว่าบุรพประโยคเนี่ยนะบุรพะประโยคประโยค่ยคาแปลว่าการประกอบนะนะบุรพะแปลว่าก่อนอนะเช่นบุรพ a j ย์ก็อาจารย์รุ่นก่อนก่อนใช่ไหมบุรพ a j ย์ก็อาจารย์องคก่อนอาจารย์แรกๆอาจารย์ค ร, ร, าารั้งแรกอะไรเงี้นยนะบุรพา j a r บุรพะประโยคก็คือการกระทําไว้ก่อนก่อนว่า บุรภาพประโยคใด ย, ย่อมปรุงคือย่อมจัดแจงซึ่งจิตด้วยเครื่องตกแต่งอันพิเศษเกล่าวคือความแกล้าใช่ไหมคือตัวที่ทําให้จิตแกล้านะอีกนัยหนึ่งจิตนั้นถูกบุรภาพประโยคนี้ปรุงคือจัดแจงโดยนัยที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นบุรภาพประโยคนั้นชื่อว่าสังขารได้แก่บุรภาพประโยคของตนหรือคนอื่นที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถอันเพิ่มให้กําลังอันสมควร แก่บุคคลหรือแก่จิตที่ท้อแท้อยู่ในกิจนั้นนั้นและบุรพบุรพรประโยคนั้นย่อมเป็นไปในจิตตสันดานของตนที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้นและในสันดานของคนอื่นเพราะฉะนั้นอาการพิเศษกล่าวคือความแกล้เกล้าของจิตที่บุรพประโยคนั้นให้เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าสังขารในอธิการแห่งจิตนี้อธิบายคาว่าสังขาริกะก่อนนะคือสังขารเนี่ยนะ สังขารเนี่ยหมายถึงอะไรแปลเป็นไทยเข้าเข้าใจง่ายทันทีเลยว่าแปลการชักชวนเนี่ยนะแปลว่าความคิดนี้ถูกชักชวนขึ้นนะไอ้คาว่าชักชวนนี้ถ้าสำนวนบาลีว่าบุรภพประโยคก็คือการกระทําก่อนเป็นปัจจัยให้ความคิดอันนั้นเกิดหมายถึงกระตุ้นทั้งหลายแหละเนี่ยนะกระตุ้นให้ความคิดเกิดทีนี้การกระตุ้นให้ความคิดเกิดเนี่ยกระตุ้นโดยตนเองก็ได้หรือผู้อื่นช่วยกระตุ้นให้เกิดก็ได้นีนะ ก็ก็ก็สับเดิมเป็นอย่างนั้นมาแปลว่าไงแปลว่าทำก่อนก็ต้องโทรคุยกับอาจารย์สมพรคุยกันมาคุยผิดที่แล้วมาก็ว่าไปตามก็ว่ามนแลพอบอกให้คุยกับอาจารย์สมพรบอกก็ดีแล้ว คืปกติจิตนี่มันมันบางทีอ่ะนะบางอย่างก็ไม่ค่อยอยากจะทําบางทีก็ท้อแท้อยู่แล้วใช่ไหมพอมีเข้ามากระตุ้นเตือนก็ก็นึกหรือบางคนเนี่ยทิฏฐิหรือความเชื่อแบบนั้นเขามีอยู่อ่อนๆนะนะมีไม่ค่อยไม่ค่อยแรงอะไรแต่อาศัยคนอื่นมากระตุ้นบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาความคิดก็มีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้น คือถ้าพูดอีกสำนวนหนึ่งนะว่าไอ้ทิฏฐิคนเนี่ยมันเหมือนกับเด็กๆนะก็ถูกเสี้ยมสอนเรื่องทิ่ฐิมาเรื่อยมาเรื่อยชี้นามาตลอดตอนหลังกลายเป็นอะไรเป็นอาจารย์สอนเรื่องนี้ซะเองก็คือเป็นอสังขาริษเเองเลยนะบางคนก็เป็นแบบนั้นแรกๆ ก, ก็หมายชวนหน้าดูเลยนะตอนหลังชวนเองเลย สังขารที่กล่าวแล้วนั้นไม่มีแก่จิตใดจิตนั้นชื่อว่าอสังขารเนี่ยนะคือไม่มีการชักชวนเลยไม่มีการกระตุ้นเลยไม่มีการชักนำชี้นำเชิญชวนไม่ต้องเลยนะไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องเชิญชวนไม่ต้องชักชวนไม่ต้องอะไรสักอย่างเกิดเองเลยนะอสังขารนั่นแหละชื่อว่าอสังขาริกะจิตที่ประกอบด้วยอสังขารชื่อว่าอสังขาริกะนะคือไม่ใช่ว่าอสังขารเนี่ยนะ มันอยู่ในจิตนั้นไม่ใช่แต่ว่าจิตอันนั้นเนี่ยไม่มีสังขารมาทำให้มันเกิดเลยจริงอย่างนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาการพิเศษที่เกิดแต่บุรภาพระประโยคมีปกติเกิดในจิตชื่อว่าสังขารภาวะแห่งอาสังขาริกเป็นต้นย่อมมีในจิตวิสัยนี้ด้วยอำนาจแห่งสังขารนั้น อีกในหนึ่งคำว่า ส, สังขาริกและอสังขาริกนี้ท่านอาจารย์กล่าวหมายถึงความมีและความไม่มีแห่งสังขารอย่างเดียวหาใช่กล่าวเพราะความมีและความไม่มีแห่งสังขาร น, นั้นน่ะเป็นไปพร้อมกับจิตไม่คือไม่ได้ไม่ฐานเนี่ยไม่ได้มันมีตัวธรรมะอะไรอันหนึ่งที่ที่เป็นอยู่ในนั้นนะ จำนวนนะโสมนัตเนี่ยมีองค์ธรรมคือเวทนาทิฏฐิเนี่ยมีองค์ธรรมคือทิฏฐิแต่อสังขาริกอ่ะไม่มีโดยสภาวะเนี่ยนะต่างตรงไหนต่างที่ ถ, ถ้าถ้าว่านะถ้าเป็นอันเนี้ย ส, สัมปยุทธสัมปยุทธเนี่ยแปลว่า ว่าโดยรวมๆจิตนี้ถูกชักชวนหรือกระตุ้นเตือนหรือชี้นําชักนําให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นคนเนี้ยคิดอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ไไดอาศัยการชักชวนกระตุ้นเตือนหรือชี้นำนะจํานวนไทยๆว่าคิดขึ้นเองอย่านะอยู่ๆแล้วมันคิดขึ้นมานะหรืออาจจะศึกษาเรื่องนั้นมาจนชํานาญช่ำชองและปกติมันก็คิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องใครมามาชี้นําเชิญชักชวนอะไรไม่ต้อง คิดได้เองเลยอ่ะกับบางคนเนี่ยเวลาจะคิดต้องให้คนอื่นเขาชักชวนชี้นําก่อนเนีย่ยนะความคิดนั้นจริงจะเกิดะนะต้องต้องเตือนอ่ะน ะ, ะบางอย่างต้องแนะนําอ่ะนะบางอย่างไม่ต้องแนะนําเลย ค, คือในหนึ่งคนนะอย่างสมมุติว่าคนนี้เป็นศาสตรติฐิศแรกๆเลยอ่ะอาจจะต้องมีการชักชวนจากคนอื่น ก็จากเหตุแปดอย่างนะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นพอทิฐิอันนี้มันเกิดขึ้นเกิดบ่อยๆย้ำบ่อยๆเข้าตอนหลังเนี่ยไม่ต้องแลจิตเนี่ยมีกําลังมากเกิดเองเลยเนี่ยนะไม่ไม่ต้องใครมาชักชวนชี้นาแล้วไปเที่ยวนําคนอื่นด้วยนะเพราะว่าถ้าแปลให้ตรงนะพวกอสังขาริกเนี่ยกลุ่มอาจารย์ นะ ส, สังขาเรเ็กนี่กลุ่มสิทธ์นี่นนะก็พวกนี้โดยมา ก, ก น, นะปกติก็ไม่ค่อยมีติดไปเตือนอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเตือนสิทธ์นะนะโดยมากก็จะเป็นลักษณะนี้หรืออีกนายหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มผู้นำอ่ะนะผู้นี้ก็ผู้ตามก็ แต่จริงๆแล้วสภาวะอะสังขารสะสังขารที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นจิตเจตสิกอ่ะไม่มีหรอกแต่ว่ากล่าวโตวโดยสภาพแวดล้อมของความคิดอันนั้นว่าความคิดอันนั้นอาศัยแวดล้อมกระตุ้นเตือนมากไหมเท่านั้นเองมมรรก็ อ, อ, อันนั้นก็ อะไรคือชวนผิดเรื่องไงถ้าลองชวนว่าไม่ต้องมารอกวันธรรมดามาเฉพาะวันเสาร์อย่างเงี้ยนะก็ท้ายอย่างงี้เข้าเลย <c oughs> คือไอที่ไม่มาวันวันธรรมดาเนี่ยนะอันนี้มันเป็นอาสังขาริกอยู่แล้วเนี่ยระดับอาสังขาริกเพราะฉะนั้นไม่ต้องแจกชวนเลย การกระจยดีนั่นก็ชวนมานั้งเกือบสองปีแนะ <laughs> ล้วหมอมมันรับชวนไปอินเดียสักยี่สิบครั้งได้แล้วมนะั <laughs> ้ฟาวหมด <laughs> สังขารเนี่ยนะที่มีคําว่าสสังขาริกนําหน้าเนี่ยนะมาจากสหบวกสังขาร น, นะนะสหบวกสังขารก็สหสัพท์อัดว่ามีอยู่เนี่ยนะเพราะคำว่าสสังขารแปลว่ามีเนี่ยนะสะหตัวนั้นแปลว่ามีอยู่หรือแปลว่ามีมันก็เขยกตัวอย่างว่าสัตว์มีขนสัตว์มีปีกเนี่ยนะก็มาจากคําว่าสหาสรรท์เหมือนกัน ส ส, สังขารเนี่ยนะลบหอหีบไปตัวหนึ่งนะก็มาจากสหสังขาระเนี่ยนะแต่ก็ลบหอหีบ ก, ก็เหลือ ส, สังขาระเป็น ส, สังขาริกเนี่ยนะส่วนจิตที่ตรงกันข้ามกับ ส, สังขาริกนั้นชื่อว่าอาสังขาริกโดยนัยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละเพราะไม่มีสังขารนั้นคือไม่ต้องมีประโยค่าอะไรเลยมากระตุ้นเตือนชักชวนไม่ต้อง การขยายคมภีจะขยายตามบทที่ไม่เคยขยายคือขยายไปตามลำดับศับไปเรื่อยๆเนี่ยนะสั์ไหนที่ยังไม่เคยขยายก็ก็จะขยายศัพท์เหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยไปหาคํ า, าว่าทิฏฐิคตะวิปปยุตเลยนะจิตที่ไม่ประกอบคือไม่ละคนด้วยทิฏฐิคตะเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิคตะวิปปยุตเนี่ยนะก็คือไม่ประกอบด้วยทิฏฐินะไม่มีทิฏฐิทั้งทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละชื่อว่าคตะวิปปยุต วนี้ก็เดี๋ยวอีกพักนิดนึงก็ได้พร้อมกันแล้วนะทีนี้พูดถึงอุเบกขาเวทนาบ้างว่าเวทนาชื่อว่าอุเบกขาเพราะอถ า, าว่าเพ่งคือเสเวรยรสแห่งอารมณ์โดยเหมาะคือโดยสมควรแม้เมื่อเสเวยก็เสเวยโดยความตั้งอยู่โดยอาการเป็นกลาง อีกในหนึ่งเวทนาชื่อว่าอุเบขาเพราะอถ า, าว่าเพ่งคือความเสวยอารมณ์พอเหมาะคือพอควรไม่เป็นฆาศึกต่อสุขและทุกข์จริงอยู่อุเบขาเวทนานี้ย่อมไม่เป็นย่อมเป็นไปแม้ในระหว่างแห่งสุขและทุกข์นั้นได้เพราะไม่เป็นฆาสึกต่อสุขและทุกข <c oughs> ์คือมันอยู่กลางๆระหว่างสุขกับทุกข์ะนะอุเบขาคือมัชตะปานกลางนวนว่าอะนไะ ไม่ไม่ทุกแต่ก็ไม่ใช่สุขะนะอยู่ตรงกลางพอดีเลยทีนี้ไอ้กลางนี่มันก็มีกลางสองประเภทกลางแบบกลางแบบโน้มไปหาข้างสุขอย่างหนึ่งกลางแบบโน้มไปหาข้างทุกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็กลางแบบสองประเภทด้วยกันถ้าอย่างกลางที่เป็นอกุศลวิบากก็จะกลางประเภทไปข้างสะทุกส่วนกลางที่เป็นกุศลวิบากก็จะเป็นไปหาข้างสุข เพราะนั้นไอ้อุเบกขาเวทนาก็ตั้งอยู่กลางๆทีนี้คำว่าสัมปโยคะนะถามว่าเมื่อสัมปยุตธรรมแม้เราเอื่นมีผัสสะเป็นต้นแม้มีอยู่ในจิตนี้เพราะเหตุไรท่านอาจารย์จึงกล่าวเฉพาะความที่จิตสหรคตด้วยโสมนัสเป็นต้นเท่านั้นใช่ถ้าเราเรียนเจตสิกมานะจะรู้ว่าในจิตหนึ่งดวงประกอบไปด้วยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนา เอกคตาชีวิตินรีมณสิการวิตตกวิจานาธิโมกวิริยาปีติฉันทาสัทธาฮิริเป็นต้นกุศลหรือกุศลเจตสิกก็เกิดอยู่ในจิตต่างตงตั้งนี้ทำไมตรงนี้เอามาเฉพาะโสมนัสเนี่ยนะหรือเอาเฉพาะทิฏฐิขึ้นม า, ม า, ม, ามาตั้งเป็นชื่อจิตฉเฉลย ว, ว่าเพราะสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเท่านั้นเป็นธรรมะที่ไม่ทั่วไปไม่สาธรารนณะะนะมันเป็นเด่นมันรู้ง่าย <c oughs> จริงอยู่แม้เจตสิกบางเหล่ามีภาษะเป็นต้นทั่วไปแก่จิตทุกดวงบางเหล่าก็ทั่วไปแก่จิตทั้งหลายมีกุศลจิตเป็นต้นส่วนเจตสิกมีโมหะเป็นต้นก็ทั่วไปแก่อกุศลจิตทั้งหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์จึงไม่อาจให้จิตแตกต่างกันคือคือแยกกันไม่ได้ท่านอาจารย์ในที่นี้เนี่ยนะน่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าชื่อจิตต่างๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนเรียบเรียงขึ้น เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ไม่อาจให้จิตเนี่ยแตกต่างกันด้วยสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีภาษะเป็นต้นเหล่านั้นได้ส่วนสัมปยุตธรรมมีโสมนัตเป็นต้นย่อมมีในจิตบางดวงไม่มีในจิตบางดวงเพราะฉะนั้นความแตกต่างการแห่งจิตจึงปรากฏชัดทีเดียวด้วยอํานาจแห่งสัมปยุตธรรมมีโสมนัตเป็นต้นถามว่าพระเหรุยสัมปยุตธรรมมีโสมนัตเป็นต้นเหล่านี้มีในจิตบางดวงไม่มีในจิตบางดวง ฉเฉลยว่าเพราะความที่เหตุตั้งลงและไม่ตั้งลงถามว่าก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเป็นต้นเหล่านั้ น, ฉนเฉลยว่าจริงอยู่อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาโดยสภาวะบ้างหรือโดยปริกกปะบ้างความที่สัตว์เนี่ยมีปฏิสนธิประกอบด้วยโสมนัสและความที่จิตมีสภาพไม่ลึกคือไม่สุขุมเป็นเหตุแห่งโสมนัสส่วนในอิท ถ้ามาชชะ ต, ตารมณ์เนี่ยนะคืออารมณ์ที่ดีปานกลางความที่สัตว์ถือปฏิสนธิด้วยอุเบกขาความที่จิตมีสภาพลึกซึ้งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งอุเบกขาการคบคนผู้มีทิฏฐิวิบัติความเป็นคนผู้มีศัสดิทิฏฐิและอุเชตทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนอันนี้เป็นเหตุแห่งทิฏฐิส่วนปัจจัยมีอุตุและโภชนาที่เป็นส ป, ปายะเป็นกําลังอันนัคือส ป, ปายะมีกําลังเป็นต้นเหตุแห่งความเป็นอาสังคาริก ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้สัมปยุต ธ, ธรรมมีโสมนัสเป็นต้นจึงเกิดในจิตบางดวงเท่านั้นเพราะการเกิดด้วยอำนาจแห่งเหตุที่สมควรแก่ตน เพราะฉะนั้นในเจตสิกเหล่าอื่นจึงไม่สามารถบัญญัติพิเศษแห่งจิตด้วยเจตสิกธรรมมีภาษะเป็นต้นเหล่านี้ก็เพราะอธิบายดังนี้แม้เมื่อความที่จิตเหล่านั้นมีโมหะเป็นเหตุมีอยู่ในนิคมคาถาท่านอาจารย์ก็กล่าวเฉพาะความเป็นจิตที่สหรคตด้วยโลภะส่วนลำดับแห่งความเกิดขึ้นแห่งจิตที่สหรคตด้วยโลภะทั้งแปดดวงนี้บัณฑิตพึงทราบนังต่อไปนี้อนะที่จะกล่าวต่อไปก็คือลำดับของแต่ละดวงว่าแตกต่างกันยังไง แต่ขอย้อนอีกครั้งหนึ่งนะ